เกิดจากดินอยู่กินมีทินทับย่อมอยู่กับแผ่นดินเป็นทินทานจะพระจากแผ่นดินไปไหนนานประเดี๋ยวการก็พากรมบมาทับดินเมื่อเกิดมา ชีวามีความมายแนวเรือนกายมีอยู่มีรู้สึกได้โลดเล่นเป็นมาจนชาชินเคยโดดดินร้นร้นสอกซอนไปได้ชังรัก รู้รถทั้งอดอิ่มรู้ยาจิ้มเศร้ามองและร้องจะได้รู้รู้จริงกับสิ่งใดก็รู้ในวันที่กรับคืนทบเดิน รู้รักและห่วงแผ่นดินทดแทนไม่สิ้นจนชววันนั้นมาลาย เคยสอนเคยสั่งให้คนอยู่หลังนั้นยังเฝ้าคอยถวินให้รู้จักรู้รักและหวงแผ่นดินทดแทนไม่สิ้นจนชีวันนั้นมาลายได้ชันงรักรู้รถทางอด คืนนแทบดิน